ความเข้าใจผิดในรักเรื่องเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องเปลี่ยนความเคยชินในการใช้เวลาของฝ่ายหนึ่งจะมีอิทธิพลเปลี่ยนแปลงการใช้เวลาของอีกฝ่ายเสมอคนที่ใช่จึงเป็นคนที่คุณเต็มใจให้มามีอิทธิพลบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงตัวเองความรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง คือความรู้สึกที่ดีดังนั้นถ้าอยู่กับใครแล้วไม่ต้องเสแสร้งไม่ต้องแกล้งทายังเป็นตัวเดิมได้ตามปกติจึงเป็นความรู้สึกหายเหงาที่สมบูรณ์แบบเพราะไม่มีสิ่งใดในตนแหวงหายแถมได้สิ่งเติมเต็มทางภาวะคู่มาอยู่ด้วยอยู่กับใครแล้วรู้สึกเป็นตัวเดิมที่เติมเต็มจึงมักนามาซึ่งการตัดสินว่าคนนี้แหละใช่แล้ว ในทางกลับกันถ้าอยู่กับใครแล้วต้องเปลี่ยนโนนเปลี่ยนนี่มากมายต้องเหนื่อยหน่ายกับการระลึกว่าโนนไม่ได้นั่นไม่ดีนี่ไม่เหมาะในที่สุดความรู้สึกที่ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาคือต่างคนต่างกลับไปเป็นตัวของตัวเองดีกว่าด้วยหลักตัดสินตามสัญชตาตญาณ น, นี้หลายคนจึงพูดพูดกันว่าถ้าเป็นคนที่ใช่จริงก็ไม่ต้องปรับ ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยเราจะยังเป็นตัวเดิมทุกประการถ้าคบกันเพื่อคุยเอาสนุกหายเงาไปวันๆก็คงเป็นไปตามนั้นได้แต่ถ้าคิดจะลงหลักปักฐานมีสายสัมพันธ์ชันคู่ครองก็ต้องมองไปอีกแบบเอาคนสองคนมานั่งด้วยกันแค่หายใจก็เริ่มต่างกันแล้วที่ห่างสั้นยาวไม่เท่ากันแล้วเอาคนสองคนมานั่งเทียบความคิดกัน แม้หลายความคิดสอดคล้องแต่ยิ่งลงรายละเอียดจะยิ่งเห็นความต่างและไม่มีทางที่คนสองคนจะคิดร่วมกันได้ถ้าเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาปรับส่วนต่างให้เหมือนตัวไม่อยู่ในทิศทางปรับส่วนต่างให้เข้ากันเอาคนสองคนมาใช้เวลาร่วมกันก็ต้องสละความเป็นส่วนตัวออกไปแล้วไม่มีทางเหมือนเดิมเมื่อครั้งอยู่คนเดียวแล้ว ความเคยชินในการใช้เวลาของฝ่ายหนึ่งจะมีอิทธิพลเปลี่ยนแปลงการใช้เวลาของอีกฝ่ายเสมอจะมีหรือไม่มีคู่ชีวิตก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามอิทธิพลกระทบตัวอยู่แล้วแม้แต่ตัวตนวันนี้ก็อาจแตกต่างจนทนตัวตนเมื่อวานไม่ได้อยู่คู่กับใครยังน้อยก็ต้องปรับเปลี่ยนความรู้อีกทีก็ต้องปรับเปลี่ยนอารมณ์ หรือไม่ก็ต้องปรับเปลี่ยนความเคยชินจนที่สุดต้องปรับเปลี่ยนนิสัยใจคอจะมากหรือน้อยจะเป็นไปในทางดีขึ้นหรือแย่ลงจะชอบหรือไม่ชอบตัวใหม่ของตนเท่านั้นที่แท้แล้วคนที่ใช่จึงเป็นคนที่คุณเต็มใจให้มามีอิทธิพลบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงตัวเองหาใช่คนที่ช่วยคุณรักษาตัวตนเดิมไว้แต่อย่างไรไม่